วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสอง7ันห้าสเป็นวันหยุดราชการเป็นวันรัฐธรรมนูญสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมยึงมีเวลา ว่างจากภารกิจการงานต่างๆยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับวันรัตธรรมนูนี้ก็คือวันที่มีการพระราชทานรัตธรรมนูน คือกฎหมายที่มีไว้ปกครองประเทศเพื่อให้ประเทศอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข<ม>จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเพื่อควบคุมการกระทำของบุคคลที่ไม่ดีที่อาจจะมาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับคนดีได้ สังคมงจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมา ย, ถ, ามมายถ้ามีกฎหมายแล้วมีการเคารพกฎหมายสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข<ม>ชีวิตของพวกเราทุกคนก็มีกฎหมายไว้กำกับให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข<ม><ม>เรียกว่ากฎหมายชีวิต พวกเราทุกคนต้องศึกษาต้องเรียนรู้กฎหมายชีวิตของพวกเราว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ควรจะทําควรจะรักษาควรจะปฏิบัติถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้กฎหมายชีวิตเราก็จะไม่รู้ข้อห้ามต่างๆและเราก็อาจจะละเมิดข้อห้ามต่างๆ พอละเมิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจชีวิตของพวกเราก็คือความทุกข์ต่างๆจะตามมาทันทีถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราต้องรู้จักกฎหมายชีวิตของพวกเราและปฏิบัติ ให้ถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ละเมิดกฎหมายของชีวิตแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้ก็คือกฎหมายชีวิตว่ามีกฎกฎหมายอะไรบ้างที่เรียกว่ากฎหมายของชีวิต กฎหมายของชีวิตนี้ก็มีอยู่สองกฎหมายด้วยกันคือ1กฎแห่งกรรมและสองกฎของไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาสองกฎหมายนี้มีไว้สําหรับกํากับดูแลส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราที่มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือเรามีร่างกายและจิตใจที่อยู่ภายใต้กฎ คลกฎกันร่างกายของพวกเรานี้อยู่ภายใต้กฎของไตรักกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนจิตใจของพวกเรานี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเราต้องศึกษากฎทั้งสองกฎนี้เพื่อเราจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคือถ้าเราปฏิบัติตามกฎ ทั้งสองกฎนี้ได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความโ่้มเย็นความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆก็จะไม่มีเกิดขึ้นในใจของพวกเราดงนั้นสิ่งแรกที่เราจะมาศึกษาก่อนๆก็คือกฎของร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้ในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสริญ และความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆที่เราเรียกว่าโลกธรรมสโลกธรรมสี่ได้แก่ลาบยศสารเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆที่เราใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือในการไปหาสิ่งเหล่านี้มาเสพมาสัมผัส พะเวลาที่เราได้สัมผัสกับความเจริญในลาบยศเสรเสรสนุกใจของเราก็จะมีความสุ ข, ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ลาบยศเสรเสรสุขนี้เสื่อมไปหรือหมดไปใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เกิดความทุกข์ก็เพราะว่า ไม่รู้จากกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองกฎของอ น, นิจจังนี้แสดงไว้ว่าราบยศรสรเสริญสุขนนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมีเกิดมีเจริญได้แล้วก็มีเสื่อมได้มีมีดับได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาความจริงอันนี้เราก็จะไปเกิดความอยากให้ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี้ย่ำยืนถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสริมไม่มีวันหมดพอเรามีความคิดแบบนี้เวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบคือ ในการเสื่อมของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะความทุกข์นี้เกิดก็จากความอยากอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบให้เจริญไปเรื่อยๆไม่ให้เสื่อมอยากให้โลกธรรมที่เราชอบที่เรารัก ให้เจริญไปเรื่อยๆอยากให้ลาบยศสารเสริญและสุขจากรูปเสียงกิริลดโพธิะชนิดต่างๆเจริญไปเรื่อยๆ <iology. S 1> ความอยากนี้เกิดจากความหลงความไม่รู้ความจริงของกฎของตายรับที่กํากับดูแลลาบยศสารเสริญสุขว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่เที่ยมอนุนิจัง มีเจริญได้ก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือกฎของอนิจจงมีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นกฎของธรรมชาติคืออนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใคร เป็นของธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นผู้กําหนดกฎเหล่านี้ขึ้นมามคือกฎของการเจริญและความเสื่อ ม, อมไม่มีใครที่จะไปแก้กฎอันนี้ได้เป็นสเป็นความจริงของกฎอันนี้ได้ไม่มีใครไปทําให้ราบยศสระเสริญสุขนี้จเจริญย่างยืนไปตลอดได้มมไม่มีใครแม้แต่คนเก่งๆขนาดพระพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้รวมทั้งร่างกายของพระองค์เองก็อยู่ภายใต้กฎของไายลัก้ก์ภายใต้กฎของอนิจจังอนัตตาเหตงแต่ใจของท่านมีปัญญามีความรู้เข้าใจถึงกฎของตายลักว่าเป็นสิ่งที่เราฝืนไม่ได้ลราเมิดไม่ได้สิ่ง ถ้าเราไม่ฝืนไม่ละเมิดเราน้อมรับยอมรับความจริงของอนิจจังของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่จะตามมาเวลาสิ่งต่างๆเสื่อมไปหรือหมดไปใจก็จะไม่ทุกข์ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายนี้ท่านมีปัญญาท่านเห็นกฎของใจรักกฎของอนิจจัง กของอนัตตาแต่ท่านสามารถทําใจของท่านให้ไม่ให้ทุกข์กับการเป็นอนิจจังอนัตตาของสิ่งต่างๆได้ด้วยการยอมรับด้วยการไม่มีการอยากที่จะให้มันยั่งยืนถาวรประเด็นอยู่ที่ตรงนี้จะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักก็คือ เราจะยอมรับความจริงของกฎของตายรักได้หรือไม่ถ้าเรายอมรับกฎของตายรักได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้<ม>ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆ ที่เราลักที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เราได้จากการมีคนสรรเสริญยกย่องเยินยอเรา<ม>หรือว่าความสุขที่เราได้จากการเสกสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสพ้ชนิดต่างๆ<ม>ความสุขเหล่านี้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงรวมไปถึงร่างกายของพวกเราก็เช่นเดียวกัน ร่างกายของเราก็อยู่ภายใต้กฎของตายรักเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราเข้าใจกฎของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตายอมรับอ น, นิจจังยอมรับความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดมันจะต้องถึงวันสิ้นสุดลง แล้วไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นเป็นอย่างอื่น mm hmm. ถ้าไปเกิดความอยากให้มันไม่เสื่อมอยากให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวใจก็จะต้องเจอกับความทุกข์ mm hmm. ถ้ายอมรับความเจความเสื่อมของสิ่งต่างๆว่าเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจจะไม่มีความอยากให้มันไม่เสื่อมนั่นเอง mm hmm. นนี่คือกฎของตายลัก ที่จะทําให้ผู้ใดที่เข้าใจถึงกฎแห่งตายรักและรู้จักวิธีปฏิบัติกับกฎของตายรักณนี้จะทําให้ทุกขังที่มีอยู่ในกฎของตายรักณนี้กลายเป็นสุขขังขึ้นมา mm hmm. แทนที่จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. มันจะเป็นอนิจจังสุขขังอนัตตา mm hmm. เพราะใจไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไม่มีความอยากให้มันเป็นนิจจัง ไม่มีความอยากให้มันเป็นอาตาัตราเป็นของเราปล่อยให้มันเป็นไปเป็นของธรรมชาติรู้ว่าเป็นของธรรมชาติสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอ า, ากาศนี่พวกเรารู้กันว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวตนดินฟ้าอากาศเป็นเป็นทรัพย์สมบัติของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา แล้วธรรมชาติก็เป็นผู้ทำลายมันทำให้มันหมดไปเวลาเกิดมีฝนตกแดดออกนี่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติทำให้มันเกิดขึ้นมาเวลาที่ฝนตกแดดออกหายไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทำให้มันหายไปไม่มีใครที่จะไปฝืนธรรมชาติได้ไปขัดขืนธรรมชาติได้ ลาบยงสารสรสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติร่างกายของพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตลปก็คือคำว่าอนัตตานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นรรมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มีการผสมปรุงแต่งมีการปฏิกิริยาต่อกันและกัน จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติขึ้นมาไม่มีใครที่จะไปสั่งไปห้ามไปควบคุมให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เ<ม><ม>พราะมันเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งไปจัดการกับสิ่งกับการปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติได้ เราต้องยอมรับต้องยอมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราก็เป็นของเราเพียงชั่วชั่วคราวเช่นร่างกายของพวกเรานี้ตอนนี้เราก็บอกว่าเป็นของเรา<ม>ก็เป็นได้เพียงชั่วคราว<ม>เดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าร่างกายนี้ก็จะต้องหยุดทางานหยุดลมหายใจ ธาตุที่เข้ามารวมตัวในร่างกายก็แยกจะแยกออกจากกันไปธาตุลมก็ออกไปก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ำแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุดินก็กลับคืนสู่ดินไปไม่มีตัวตนไม่มีเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของเจ้าของที่แท้จริงก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ที่มารวมกันมาผสมประสานกันมาสร้างครอบครัวขึ้นมาเหมือนกับสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันแล้วก็มาสร้างครอบครัวสร้างลูกสร้างหลานกันแต่วันหนึ่งก็ต้องมีการจากกันไปพัดภาคจากกันไปไม่มีครอบครัวใครที่อยู่กันอย่างยั่งยืนถาวรไปไม่มีวันสิ้นสุด นี่ก็คือค อ, อนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นผู้กากับเป็นผู้สั่งให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเหตุเป็ น, เ, ปนเหตุปัจจัยที่มามาเจอกันมาพบกันแล้วก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเช่นน้ำที่มีอยู่ใน แม่น้ำลำํ า, านหรือในทะเลมหาสมุทรนี้พอไปเจอความร้อนของแสงอาทิตย์ขึ้นมาพอธาตุน้ำไปเจอธาตุไฟธาตุน้ำมันก็จะระเหยขึ้นมาเป็นไอกลายเป็นไอลอยขึ้นไปในท้องฟ้าแล้วก็ไปเกาะตัวกันเป็นกลายเป็นเมฆขึ้นมาเป็นกลุ่มเมฆขึ้นมาแล้วพอธาตุไฟที่ทาให มีกลุม่มเมฆนี้อยู่ลอยอยู่บนท้องฟ้าพอไปเจอความเย็นเข้าธาตุปลายอ่อนลง<ม>ก็จะทําให้ก้อนเมฆนั้นกลายมากลายเป็นน้ําฝนตกลงมามไม่มีใครเป็นผู้ไปกํากับไปทําให้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของธาตุต่างๆที่เวลามาพบกันมาเจอกันมาผสมกันมามีปฏิกิริยาต่อกัน มันก็จะทำให้มีปรากฏการณ์ต่างๆจากน้ำก็กลายเป็นเมฆจากเมฆก็กลายเป็นน้ำฝนจากน้ำฝนก็ตกลงมาสู่ในแม่น้ำลำทานใหม่นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นละการเจริญของราบยศจะ ร, รมสมุขมันก็เป็นการเจริญของธรรมชาติอ ย, าอย่างหนึ่งเวลาที่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญในราบราบมันก็มา เช่นมีงานทําเดี๋ยวเงินเดือนก็ออกมาถ้าไม่มีงานทําเงินเดือนก็ไม่มีมีงานทําก็เจริญในราบพอตกงานไม่มีงานทําราบที่เคยเจริญก็เสื่อมลงไปหมดไปหรือราบที่ได้มาถ้าไม่เก็บเอาไว้มันกถ็ถ้าเอาไปใช้เดี๋ยวมันก็ใช้หมดมันก็เสื่อมไป ถ้าเก็บเอาไว้แต่ก็อาจจะถูกคนขโมยไปก็ได้หรือถ้าวันใดวันหนึ่งร่างกายที่มาครอบครองทรัพย์สมบัติต่างๆตายไปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปนี่คือความความจริงของของร่างกายและของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นของชั่วคราวจำไว้อา น, นิจจังแปล ว, ว่าชั่วคราว ไม่ใช่เป็นของที่ยั่งยืนถาวรที่จะสามารถให้ความสุขกับผู้ที่มาครอบครองมันได้ไปตลอดให้ความสุขได้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ได้มาครอบครองก็จะหมดไปได้หรือผู้ที่มาครอบครองก็อาจจะตายจากมันไปก็ได้ถ้าไม่อยากจะให้มีความทุกข์คือ ถ้าไม่อยากให้ใจผู้ที่มาครอบครองสิ่งเหล่านี้ใจเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายเป็นสมบัติชิ้นแรกของใจก็คือร่างกายแล้วพอได้ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้มาต่อยอดมาหาราบยศเรสริญสุขอีกทีหนึ่งแต่ร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอร่างกายตายไปสิ่งที่หามาได้ ด้วยร่างกายคือลาบยศรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิเรสผลเถภก็จะสิ้นสุดไปเป็นของชั่วคราวอยู่ที่อายุของร่างกายว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แต่ก็ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากร่างกายของคนทุกคนก็จะต้องถึงจุดสิ้นสุดลงคือความตาย ถ้าใจไม่เข้าใจกฎนี้ใจก็จะอยากให้ร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขจเจริญไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันเสื่อมความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้ทุกข์ใจเวลาที่มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากอยากอยู่ไปเรื่อยๆพอไม่ได้อยู่ไปเรื่อยๆก็ทุกข์ใจขึ้นมาพอไม่สบายพอรู้ว่าจะตายก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันที แต่ถ้ารู้ว่ามันต้องเสือ่อมรู้ว่ามันต้องตายเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนยอมรับความจริงอันนี้ไม่ฝผลนความจริงไม่ไม่เกิดความอยากไม่ให้อยากอยู่ไม่อยากให้มันไม่ตายถ้าถึงเวลามันจะตายก็ให้มันตายไปถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไป ถ้าไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับความเป็นจริงของร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายได้เพราะเข้าใจกฎของตายรักว่าร่างกายก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยมถ้าไ็อยากให้มันเที่ยงก็จะทาให้มันทุกข์ก็จะทำให้ใจทุกข์ถ้าอยากให้ร่างกายเป็นของเรา ไปตลอดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นของเราได้เพียงชั่วคราวได้ในขณะที่มันยังมีลมหายใจอยู่พอมันหมดลมหายใจแล้วเราคือใจที่มาครอบครองก็ไม่สามารถที่จะไปครอบครองมันต่อไปได้มันก็จะกลายเป็นหน้าที่ของสัปปเปลอที่จะเอาร่างกายอันนี้ไปทำชาปนกิจต่อไป ไปแยกธาตุแยกธาตุทั้งสี่ออกจากกันไปด้วยการเอาไบเอาไฟมาเผาเผ<ม>าธาตุน้ำที่มีน่่งกายให้ละเหยไปหมดเผาธาตุดินให้กายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไป<ม>อันนี้ก็เรื่องของกฎอ น, นิจจังถ้าเราเข้าใจกฎอ น, นิจจังว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวถ้าเรายอมรับเรเราไม่ฝืน เราไม่มีความอยากให้มันเที่ยมเช่นคนที่เราอยู่ด้วยกั น, นถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอถึงวันที่เขาจะต้องจากเราไปหรือเราจากเขาไปนี่เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา<อ>และในขณะที่เรายังไม่จากกัน<อ>เพียงแต่คิดถึงว่าเราจะต้องจากกันมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราอยากไม่ให้เกิดการจากกัน แต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆตามที่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้เราคิดว่าเราต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดภาคจากกันไปไม่ได้เราสอนใจอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเวลาถ้า ท, ทุกลมหายใจเข้าออกได้ยิ่งดีถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ตลอดเว ล, เวลาเวลาเกิดการพัดภาคจากกาันใจเราจะไม่เศร้าใจเราจะไม่ทุกข์ เข้าใจเราจะต้องยอมรับความจริงนั่นเองหรือถ้าไม่ยอมรับความจริงก็ต้องทุกข์เราก็ต้องเลือกเอาระหว่างทุกข์กับหรือไม่ทุกข์แต่เราไปเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้อยู่ดีความจริงก็คือต้องพัดพากจากกันอยู่ดีจะยอมหรือไม่ยอมถ้ายอมก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมก็จะทุกข์บางคนตายจากกาันเป็นเดือนเป็นปีก็ยังมาทุกข์ใจอยู่ นี่แสดงว่าไม่ยอมรับว่าการไม่ยอมรับการพัดภาคจากกันถึงแม้จะเจอความพัดภาคจากกันจากกันมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่ก็ยังเศร้าโศกเสียใจยอยู่อย่างนั้นเพราะยังไม่ปล่อยยังไม่ยอมรับความจริงว่าการพัดภาคจากกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเราไปทําอะไรมันไม่ได้แล้วถ้าไปอยากให้มันไม่พัดภาคจากกันก็จะทำให้ทุกข์ หรือถ้าอยากจะให้เขากลับมาอยู่เหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของความหลงของความไม่ยอมรับความจริงคนที่ไม่ยอมรับความจริงคนที่หลงอยู่กับความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องยั่งยืนยั่งยืนถาวรจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่คนที่ยอมรับความจริง ว่ามทุกสิ่งทุกอย่างมีวันสิ้นสุดลงมีการพัดผจากกันเป็นธรรมดาใจก็จะไม่ทุกข์กับมันได้สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ใจยังทุกข์อยู่กับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆนั้นก็เกิดจากกิเลสตัณหาที่คอยครอบงำที่ครอบงำจิตใ จ, จยอยู่โมหะอาวิชชาคือความไม่ยอมรับความจริง ยังทำให้เกิดความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามผืนตามความเป็นจริงคือของไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงของที่ไม่ใช่เป็นของเราก็อยากจะให้เป็นของเราวิธีที่เราจะทำให้ใจนี้ยอมรับได้ถึงแม้ว่าเราตอนนี้ยังรับไม่ได้เพราะว่าถึงแม้เราจะมีปัญญาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟัง จากพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา mm hmm. แต่ถ้าใจยังยอมไม่ยอมรับก็แสดงว่ากิเลสมันยังมีกําลังมากพอ mm hmm. มากกว่ามากกว่าธรร mm hmm. สิ่งที่เราต้องทําก็คือสร้างธรรมขึ้นมาให้มีกําลังมากกว่ากิเลสทำที่จะมีก็ ทำที่จะสามารถมาหยุดกิเลสตัณหาได้ก็คือสติและสมาธินั่นเองสติกับสมาธินี้มักจะไปคู่กันเพราะว่าสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิคือความนิ่งเฉยของใจสติก็คือผู้ที่คอยกํากับควบคุมบังคับให้ใจไม่เคลื่อนไหวไม่ให้ใจ คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจรู้อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำให้ใจนิ่งเฉยเป็นสมาธิได้จึงจาเป็นต้องมีสติก่อนจเจริญสติให้มากถ้าจจเจริญสติจนสติมีกำลังที่จะหยุดความคิดได้ทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใจก็จะมีกาลังที่จะหยุดความอยากได้ พอเอาปัญญาของพระเจ้าออมาพิจารณาแล้วก็เห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นของเท่งแท้แน่นอนไม่มีการพลาดพาคจากกันก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องหยุดความอยากเพราะมันเมื่อเราอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะทุกข์เท่านั้นเองถ้าแต่ถ้าอยากได้อะไรแล้วได้ตามความอยากมันก็จะไม่ทุกข์ เราต้องเปลี่ยนความอยากของเราจากการอยากให้สิ่งต่างๆเที่ยงให้เปลี่ยนมาเป็นให้อยากให้สิ่งต่างๆไม่เที่ยงถ้าเราอยากให้สิ่งต่างๆไม่เที่ยงเราก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงพอเจอความไม่เที่ยงของร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเฉยๆมีความสุขได้การปล่อยวางก็คือการยอมรับความจริง การมีความอยากให้มันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงก็เกิดความสุขใจขึ้นมาได้ได้ความได้สิ่งที่อยากได้แต่ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงแล้วไปเจอความไม่เที่ยงมันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องมาหยุดความอยากหรือเปลี่ยนความอยากจากการอยากให้สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นนิจังสุขขังอนาตาให้เปลี่ยนมาเป็นอนิจังทุกขังอนตา แล้วก็จะไม่ผิดหวังทำใจให้เฉยๆดีที่สุดจะทำให้ใจดีเฉยๆได้ไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงนี้ก็คือการหยุดหยุดความอยากด้วยการทำใจให้เข้าสู่สมาธิให้ได้เพราะเวลาใจมีสมาธิขึ้นมาแล้วใจสามารถสั่งให้ความอยากนี้หยุดได้ สั่งให้ใจรู้อยู่เฉยๆได้เวลาเจอความแก่ก็ให้รู้อยู่เฉยๆว่าร่างกายกําลังแก่ก็อยู่กับความแก่ไปแต่จะไม่ทุกข์กับความแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายก็ทําใจให้รู้เฉยๆไปหรือว่าร่างกายมันจะตาย รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่ที่เราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ปั้นรือสร้างร่างกายอนนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็มาเป็นผู้รับร่างกายนนี้จากพ่อแม่เีกทิมเอามาใช้ชั่วคราวพอถึงเวลามันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง ถ้าเราเข้าใจกฎของอ น, นิจจังแล้วแล้วไม่หลงไม่ลืมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนร่นางกายเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนราบยศสรรเสริญสุขที่เราเศษกันสัมผัสกันก็นกไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องหมดไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้าเนิบขาราบยศสรรเสริญสุขได้ก็ยิ่งดีอย่าง ถ้าเราไม่ไปพึ่งราบยศเสริญสุขให้ความสุขกับเราเวลาราบยศเสริญสุขเป็นอะไรไปเสื่อมไปหมดไปเปลี่ยนไปมันก็จะไม่ทําให้ใจเราทุกข์แต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันวิธีที่จะทําให้ใจเราไม่ไปยุ่งกับราบยศเสริญสุขก็คือเราต้องมาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นความสุขที่ในใจที่เกิดขึ้นก็เกิดจากกา ร, รจจเจริญสตินั่งสมาธินี่ การเยริญสตินั่งสมาธินี้มีคุณประโยชน์หลายประการด้วยกันจะทําทให้ใจเรามีกําลังหยุดความอยากได้หยุดความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆมันเท่งแท้แน่นอนแล้วความแล้วสิ่งที่เราจะได้จากสติสมาธิก็คือได้ความสุขจากการทําใจให้ให้เป็นสมาธิจากการทําใจให้นิ่งสงบพอใจนิ่งสงบแล้วใจจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสินสุขพอเรามีความสุขที่ดีกว่าดีกว่าความสุขจากราบยศสรรเสวนสุขเราก็ทิ้งราบยศสารเสิญสุขไปได้เราก็มาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการเจริญสติด้วยการเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแทนเราก็ไม่ต้องไปพึ่งราบยศสรรเสินสุขเมื่อเราไม่ต้องพึ่งราบยศสรเสิญสุข เวลาลาบยศสละเสริญสุขเป็นอะไรไปเราก็ไม so ่เด so <A idée> ือดร้อนเราก็ไ <i> ม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบยศสระเสริญสุขร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถมีความสุขได้ถึงแม้ว่าลาบยศสละเสริญสุขจะหมดไปถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่เจ็บตายไปแต่ความสุขที่ได้จากสติสมาธินี้ก็ยังอยู่กับใจต่อไปได้ วิธีการที่เราจะสามารถอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็คือเราต้องสร้างพลังใจขึ้นมาด้วยการเจริญสติด้วยการเข้าสมาธิสร้างพลังใจแล้วก็สร้างความสุขใจขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ใช้ความสุขใจเป็นที่พึ่งของใจแทนแทนที่จะไปพึ่งจะพึ่งร่างกายไปพึ่งลาบยศเสริญสุข ให้ความสุขกับเราเราก็เปลี่ยนมาเป็นการสร้างความสงบแทนให้ความสุขกับเราพ อ, อเรารู้จักวิธีสร้างความสุขภายในใจเราแล้ ว, ลวเราก็จะปล่อยวางการที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสาะระเสริญสุขได้ปล่อยวางร่างกายได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเพราะเราไม่ต้องการราบยสะะศสรเสริญสุขแล้วร่างกายก็หมดความจับ หมดความสําคัญไปหมดความจําเป็นไปราบโยชนสันสุขก็หมดความจําเป็นไปหมดความสําคัญไปเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในใจของเราที่เราได้จากการเจริญสตินั่งสมาธินี้แล้วก็จากการที่มีปัญญาที่จะสอนให้ใจเราคอยกําจัดความอยากต่างๆเวลามันโผล่ขึ้นมาในใจเราเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความสงบจากสมาธิ แต่ถ้าเกเวลาที่เราไม่มีสติเพลศติเราปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมาความอยากมันก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากว่าอยากไปอยากแม้กระทั่งความสงบก็อยากไปอยากให้มันสงบไปอย่างยั่งยืนความสงบที่ให้ความสุขกับเรามันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเวลาเราอยู่ในความสงบมันก็มีความสุข เวลาเราออกจากความสงบมามันก็มันก็จะหายจากความสงบได้พอใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้อยู่ความอยากต่างๆนี้แหละที่เป็นตัวทำให้ความสุขที่จากความสงบหายไปถ้าเราอยากจะให้ความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้อยู่ต่อไปเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่า นี่แหละตัวนี้แหละคือความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจที่ที่สงบมาเมื่อกี้นี้หายไปกลายเป็นใจที่วุ่นวายขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้ใจหายวุ่นวายกลับไปสงบใหม่โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเราก็หยุดความอยากนี้เท่านั้นเองเช่นเวลาเจอโครคภัยไข้เจ็บใจที่เคยสงบอยู่ก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันที วุ่นวายเพราะว่าอยากจะให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปแต่มันไม่หายมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็ต้องทำใจให้อยู่กับมันไปด้วยการหยุดความอยากหยุดความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปถ้ามันยังไม่หายก็อยู่กับมันไปพอเราหยุดความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปได้ความทุกข์ใจวุ่นวายใจก็จะหายไป แล้วความสงบที่เราได้จากการทำสมาธิมันก็จะกลับมาอีกในบ้านปลายของการปฏิบัติเนี่ยหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องมาคอยกำจัดความอยากต่างๆอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหยุดความอยากปล่อยให้มันเป็นไปอยากให้ความสงบของสมาธิ สงบตลอดเวลาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะสงบได้แต่เฉพาะเวลามันเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาความสงบนั้นก็หายไปถ้าอยากให้มันไม่หายไปก็หยุดความอยากที่อยากจะให้มันสงบไปตลอดพอเราหยุดความอยากที่ให้มันสงบไปตลอดได้ ความสงบของสมาธิมันก็จะสงบไปตลอดกลายเป็นความสงบของภาวนิพานไปเป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรถ้าเราหลังจากที่ได้สมาธิแล้วแล้วเรามีปัญญามาใช้ในการคอยกําจัดความอยากต่างๆที่จะผล่ออกมาเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิแล้วถ้าเรากําจัดความอยากต่างๆได้เราก็จะรักษาใจให้อยู่ในความสงบ แบบที่เราอยู่ในสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วพอความอยากต่างๆมันถูกกำจัดหมดสิ้นไปด้วยปัญญาแล้วใจก็จะสงบไปตลอดจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธิก็สงบเหมือนกันเป็นสุขเหมือนกันสภาพแบบนี้เราเรียกว่านิพพานบร ม, มสุขเป็นความสุขที่ไม่มีการเสือ่อมไม่มีการหมด เพราะเหตุที่ทำให้ความสุขในใจเสื่อมลงก็คือความอยากต่างๆมันได้ถูกกาจัดไปด้วยปัญญาแล้วความอยากต่างๆนี้มันจะไม่โผล่ขึ้นมาอกีกเพราะมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้พอมันจะโผล่ขึ้นมาปัญญาก็จะหยุดมันทันทีอันนี้คือวิธีการที่เราจะทำให้จิตใจของเรานี้อยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขงัง น, นิาตาได้ อยู่แบบไม่ทุกข์กับอนิจจังไม่ทุกข์กับอนัตตาได้เช mm hmm. ่นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันตสาวลกนี่จิตของท่านไม่ทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศฉลเสริญสุขไม่ทุกข์กับการพัดภาคจากสิ่งต่างๆไม่ทุกข์กับการพัดภาคจากร่างกายของคนนั้นของคนนี้หรือร่างกายของตนเองเพราะ พ่อมีปัญญาคอยกำจัดความอยากที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับใจปล่อยให้ใจแยกออกจากสิ่ ง, งต่างๆปล่อยให้สิ่ ง, งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติของเขาสิ่งใดมีเกิดถึงนั้นก็ต้องมีดับก็ไปก็ดับไป <Evet. S 2> การพัดพรากจากกานานันเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปทางแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไป ไม่ไปยุ่งกับมันถ้าใจเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปนี่คือวิธีการที่เราจะอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไม่ทุกข์แล้วก็จะไม่กลับมาอยู่กับมันอต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วใจนี้จะเข็ดแล้วจะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้ว เพราะถ้ากลับมาเกิดก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆอยู่ทุกข์เริ่มต้น ก, ก็ต้องทุกข์กับร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจรู้สาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากแล้วกำจัดความอยากให้หมดซึ้นไปแล้วการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะรู้ว่าไปเกิดก็เท่ากับไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะมันมีร่างกายก็ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ทุกกับการพัดภาคจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆ ง, ง, งั้นสิ่งที่เราต้องศึกต้องพยายามปฏิบัติให้มากกันก็คือให้เราเจริญสติให้มากค<ม>อยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ตอนนี้ความคิดของเรามันเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนสัตว์ป่า<ม>ที่ยังไม่มีใครเคยเอามา สอนเอามาเทรนมันเอามาฝึกมันให้มันอยู่ภายใต้คำสั่งมันจะดื้อมันจะอยากจะทำอะไรตามเรื่องของมันเราต้องเอามันมาฝึกเอามามาทรมานด้วยการจับมันมัดถังไว้ไม่ให้มันทำอะไรตามอำเภออยากต้องพยายามบังคับมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมพอมันยอมแล้วมันก็จะเชื่อง มันก็จะทำตามคำสั่งของเราใจของเราตอนนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนสัตว์เป็นเหมือนสัตว์ป่าที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมันจะลื่นมันจะด้านมันจะดันทุลังมันจะทำแต่สิ่งที่มันเคยทำสิ่งที่มันเคยชอบเคยอยากแต่มันไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเคยชอบเคยทำเคยอยากเป็นตัวที่มาทั้งสร้างความทุกข์ให้กับใจเราต้องหยุดมันให้ได้ ด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิด้วยการยุติการไปหาความสุขตามความตามความอยากต่างๆการจะฝึกจิตนี้เบื้องต้นเราต้องเราต้องหยุดการไปหาความสุขจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากในลาบยศฉละเสริญก่อนด้วยการถือศีลแปดด้วยการไปบวช ถ้าไปบวชแล้วนี่แสดงว่าเราไม่ไปแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขแล้ไม่หาลาบยศสารเสริญไม่หาความสุขจากรูปเสียงกิถถ่นรสผลิตภัพฑะเราจะเวลาที่เคยไปใช้กับการหาลาบยศสารเสริญสุขนี้มาให้กับการหาสติเพื่อจะได้เอาเอาสติมาทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาใช้สติเป็นตัวสร้างความสุขภายในใจ ก่อนเมื่อก่อนก่อนที่ยังไม่ได้บวชเราใช้เงินทองฮะเราใช้สตางค์ซื้อความสุขกันเราไปทำงานทาการก็เพื่อจะได้มีสตางค์มีเงินทองใช้สตางค์มาสร้างความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะสตางค์ที่หามาได้มันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ถ้าไม่มีสตางค์ความสุขก็จะไม่มีแต่ตอนนี้เรามาบวชสมมุติถ้าเราบวช เราก็เลิกหาสตางค์แล้วเราก็มาหาสติแทนสตินี้จะเป็นตัวที่จะหาความสุขให้กับใจด้วยการคอบควบคุมความคิดของใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านหรือเรื่องราวต่างๆให้หยุดคิดให้ได้พอหยุดคิดได้เมื่อไหร่ใจก็จะสงบขึ้นมา ท, าทันทีพอใจสงบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ อันนี้แหะแทนที่จะหาสตางค์นักบวชจะมาหาสติแทนนี่คือสาเหตุว่าทำไมพระเจ้าถึงห้ามไม่ให้นักบวชไปรับเงินรับทองเพราะว่าเงินทองนี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบเงินทองนี้กลับจะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบเลยต้องห้ามแต่ต่อมาก็มีข้อยกเว้นเพราะว่าบางทีเงินทองก็ยังมีความจาเป็นอยู่ต่อการเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าเกิดร่างกายขาดอาหารบางวันบิณฑบาตไม่มีอาหารก็จะได้ใช้เงินทองไปซื้ออาหารมารับประทานหรือถ้าเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ต้องรักษาที่ยังต้องใช้เงินทองรักษาก็จําเป็นที่ต้องมีเงินทองท่านก็เลยอนุญาตให้มีเงินทองได้แต่มีไว้เพื่อมาสนับสนุนการเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นคือปัจจัยสี่ที่เรียกว่าสั ม, มณะบริโภคสิ่งที่สัมมณะต้องบริโภคอยู่ก็คือ อาหารเครื่องนุง่งหงมที่อยู่อาศั ย, ยารักษาโลกถ้าขาดปัจจัยสี่ก็จะทำให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการหรือถึงแก่ความตายได้ถ้าถึงเวลาที่จะเป็นที่จะต้องมีเงินไว้ซื้อสิ่งเหล่า น, นี้ก็ซื้อได้แต่ไม่ให้เอาไปใช้ในทางอื่นไม่ให้ไปใช้ในทางที่จะสนับสนุนตันหาความอยาก คือไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายอย่างนี้ไม่ควรเอาไปใช้แบบนั้นไหเงินทองของพระนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมในการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างความสุขใจขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อจะได้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไป นี่คือเรื่องของเงินทองนักบวชไม่มาหาเงินทองแล้วนักบวชหาสติแทนนักบวชไม่ใช่เป็นผู้ครองเรือนถ้าเป็นผู้คลองเรือนนี้จําเป็นยิ่ยงต้องหาสตังอยู่เพราะถ้าขาดสตังเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้ให้อยู่เป็นปกติสุขได้ร่างกายต้องมีสตงังคือมีสตางไว้ซื้ออาหารมีสตังไว้ซื้อเสื้อผ้ามีสตางไว้ซื้อที่อยู่อาศัยมีสตางไว้ ซื้ อ, อยารักษาโรคต่างๆน่างกายของพระก็เหมือนน่างกายของคารวะก็ต้องมีสตังบ้างดัให้มีสตังไว้สาหรับซื้อปัจจัยสี่เท่นั้นถ้าเป็นอย่างอื่น้วไม่ควรที่ไม่ควรที่จะไปซื้อมาเช่นอยากจะดูรูปอยากจะฟังเสียงล้วไปซื้อรูปเสียงมาดูอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรจะทำเช่นอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เอาเงินทองที่ได้ นีมาไปจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับการที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าใช้เงินทางแบบนี้ก็จะเป็นโทษกับพระเพราะว่ามันเป็นความสุขทางโลกนั่นเองความสุขจากรูปเสียงกฤฤฤฤฤิ่นรสพุพระเป็นความสุขชั่วคราวเราจะทำให้ติดเราจะทำให้เวลาอยากอยากเสพแล้วไม่ได้เสพ จ, จะทุกข์ทรมานแล่ก็อาจจะเป็นเหตุให้จะต้องลาสิขาไปในในที่สุด เพราะทนอยู่ในสภาพของนักบวชไม่ได้เพราะใจไม่มีสติสร้างความสุขให้กับใจใจอาศัยสตางจากสตธายาโยโเป็นเครื่องมือซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสพอพอเงินทองไม่พอใช้พอเงินทองหมดความสุขที่ได้จากการซื้อรูปเสียงกลิ่นรสก็หมดไปก็จะอยู่แต่อยู่กับความเศร้า้อยหงอยเหงาอยู่กับความทุกข์อยู่กับความว้าเหวก็จะทนอยู่ในสภาพของการเป็นนักบวชไม่ได้ ก็จะต้องลาสิขาไปเพื่อไปหาสตังมาซื้อความสุขทางรูปเสียงกิจนดต่อไปดังนั้นเงินทองสำหรับธรรมะนัก บ, บ, บ, บวชนี้จึงเป็นเป็นเหมือนกับเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งก็อามาใช้ประโยชน์สนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติธรรมได้ด้วยการเลี้ยงดูร่างกายให้ปัจจัยสี่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรม ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็มีประโยชน์แต่ถ้าเอามาใช้ในทางของกิเลสตัณหาใช้ในทางการ ม, มาตัณหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเอาเงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสบเอาเงินทองไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้มันก็เป็นการทำลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับนักบวชเราจะทรานจะทำให้ทนอยู่ตอบ อยู่เป็นนักบวชต่อไปไม่ได้ก็จะต้องลาศิกขาไปการได้บวชนี้เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐและการที่ต้องลาศิกขาไปนี้ก็เท่ากับการที่เราสละสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐไปเพราะไม่มีอะไรที่จะเลิศที่ประเสริฐเท่ากับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติในรูปแบบของนักบวชก็คือเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพาน ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่เป็นบร ม, มสุขเพราะถ้าเราไปเป็นคารวาะเป็นผู้คองเรือนเราก็จะไม่มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองก็เหมือนกับการเปลี่ยนเส้นทางเดินการเดินการบวชนี่ก็เป็นเหมือนการเดินเดินทางบนบนทางด่วนแต่การที่เป็นคารวะผู้คองเรือนก็เป็นเหมือนกับการ เดินทางอยู่ใต้ทางด่วนระหว่างบนทางด่วนกับใต้ทางด่วนอันไหนจะเร็วกว่ากันถ้าเราขึ้นทางด่วนได้เรามักจะเลือกขึ้นทางด่วนกันเพราะไม่มีรถติดไม่มีอะไรมาขัดขวางการเดินทางให้ช้าจะทำให้การเดินทางเดินทางได้ได้อย่างเต็มที่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วถ้าเราอยู่ใต้ทางด่วนนี้เดี๋ยวก็จะติดสีแยกไฟแดงติดรถอะไรต่างๆ บางทีก็มีรถเสียจอดขวางทางเป็นต้นหรือรถชนกันมันก็จะทําทให้การเดินทางชะ ง, งักราชาได้อาจจะไม่ทันการกับเวลาของชีวิตเราก็ได้เพราะชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่กันบางคนก็อยู่ถึงอายุร้อยปีก็มีบางคนก็อยู่ถึงเก้าสิบปีบางคนก็แปดสิบา 80, บางคนก็ไม่ถึงแปดสิบ เ็ก็ตายไปแล้วบางคนสั้นกวเจ็ดสิบก็มีหกสิบก็มีห้าสิบก็มีมีทุกอายุทุกวัยนั้นเราจึงไม่สามารถไปกำหนดทีอายุของเราได้ว่าจะอยู่ไปถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามหาวิธีขึ้นทางด่วนให้ได้จะดีกว่าเพราะถ้าขึ้นทางด่วนได้การเดินทางก็จะใช้เวลาไม่มากเราก็อาจจะทำให้เราทันทำทำส ำ, ำเร็จก่อนที่เราจะตายก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้บวชเราอยู่แบบภาลาวะผู้ครองเรือนที่ยังมีภารกิจหน้าที่การงานการหาเงินหาทองอยู่เวลาที่เราจะมาให้กับการปฏิบัตินี้มีเพียงนิดเดีย ว, วนั่นเองแทนที่จะปฏิบัติได้ร้อยเอร์ซ็นตก็อาจจะปฏิบัติได้แค่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบปอร์ซ็นตที่ดูถ้าปฏิบัติสิบเปอร์เซ็นยี่สิเปอร์เซ็นเมื่อไหร่จะมันถึงจะได้เป้าหมายถึงเป้าหมายได้ถ้าปฏิบัติร้อยเอร์ซนนี่เดี๋ยวพูดเดียวแป๊บเดียวมันก็ถึงได้ดังนั้น การบวชนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อได้บวชแล้วเราควรต้องพยายามรักษาอย่าให้เงินทองนี่เข้ามาเป็นตัวทําลายจิตใจด้วยกันนะเอาไปใช้ตามตามความอยากของกิเลสตัณหาถ้าเงินทองไปใช้ตามกิเลสตัณหาก็เท่ากับถอยหลังลงจากทางด่วนลงมาอยู่ภายใต้ทางด่วนนล้วดีก็แล้วก็ จ, จะแยากกว่า ผู้ที่ปฏิบัติแบบเป็นคาราวะาก็ได้เพราะอย่างน้อยผู้ปฏิบัติยังยังปฏิบัติอยู่แต่ผู้บวชถ้าใช้เงินทองไปเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็จะไม่มีสติสตังไม่มีกระจิตกระจายที่มันจะมาปฏิบัติธรรมใจก็จะมีแต่คอยคิดถึงเรื่องของการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดวยการคอยรอรับสตังต่างๆจากญาติโยม อ, อันนี้เงินทองพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากให้ให้นักบวชมีกัน แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ให้มีได้บ้างพอสมควรแล้วก็ไม่ให้เป็นผู้เก็บเองใช้เองให้ฝากไว้กับคารวะญาติโยมที่มีศีลมีธรรมที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเกี่ยวกับการเรื่องการใช้เงินใช้ทองเผื่อที่เวลาที่นักบวชจะขอเงินไปใช้ในทางที่ผิดจะได้มีความละอายใจเพราะคารวะผู้ถือเงินให้เราเนี้ก็จะรู้ว่ามีไม่ใช่เป็นเป็นการใช้เงินที่ถูกต้อง การเงินใช้เงินที่ถูกต้องก็คือการจะไปใช้กับปัจจัยสี่เวลาเกิดการขาดแคลนเวลาขาดจีวอจีวอนขาดไม่มีจีวอสวมใส่ก็เบิกไปช่วยจีวอ น, อนี้ก็ก็ทำได้คารวะที่คือถือเงินเขาก็จะยินดีว่าทําถูกต้องเวลาบินทบาทวันไหนไม่มีอาหารอาหารไม่พอกินก็ให้ไปช่วยซื้ออาหารมาเสริมให้เขาก็ยินดีที่จะทําให้แต่ถ้าอยากจะให้เขาพาบ เาเงินไปตีตัวไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้นเขาบอกไปทําไมไปเที่ยวหรือเปล่าถ้าไปเที่ยวก็อย่าไปดีกว่าไปแล้วมันเป็นกิเลสไม่ได้เป็นธรรมแต่อย่างใดพระเจ้ามีมาตรการที่จะคอยขวางการใช้เงินทองของพระอยู่พอสมควรคือถ้าจะรับเงินรับทองก็ให้คารวะเป็นผู้รับผู้เก็บไว้ให้ไม่ให้เก็บไว้เองไม่ให้ใช้เองถ้าต้องเวลาต้องใช้ซื้อของอะไรจาเป็นก็ให้ คนที่เขาเก็บเงินเก็บทองให้นี่เป็นคนไปจัดการซื้อให้ถ้าทำอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้การใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกนั้นลำบากขึ้นยากขึ้นแต่ก็อย่างว่าถ้าคนมันอยากจะใช้เงินจริงๆมันก็หาวิธีการของมันได้อยู่ดีแต่ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าใจไม่ได้ไฝ่ทำแล้วใจไม่ได้ต้องการที่จะมาหาสติมาหาสมาธิแล้วใจต้องการที่จะไปหา หาสตังเพื่อหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองอย่ น, นี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปมีโอกาสที่จะได้เจริญในธรรมได้หลุดพ้นกลับไม่กลับไม่ไปถูกอำนาจของกิเลสตระหาดฉุดลากให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องน่าสงสารน่าเศร้าเท่านั้นเองนี่ก็คือเรื่องของการอยู่กับโลกของนิจจังทุกขงังอนัตตาอย่างไม่มีความทุกข์ก็คือ ต้องอยู่ด้วยสติสมาธิด้วยปัญญาเพื่อสติก็ต้องยอมรับสติต้องมีคอยควบคุมความคิดให้ให้จิตหยุดนิ่งให้รู้เฉยเฉยเพื่อจะได้ยอมรับความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ mm. เวลาปัญญาพิจารณาว่าเ อ, อทุกอย่างไม่เที่ยงก็ยอมรับได้ร่างกายไม่เที่ยงก็ยอมรับได้หยุดความอยากไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ mm. ใจก็จะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตาย ใจก็จะรู้เฉยๆไปอันนี้ก็คือเรื่องของกฎของตาลักทนกฎแห่งกรรมก็คือก็คือใจการกระทําของใจนี่ถ้าใจไปทําบาปใจก็ไปสร้างความทุกข์แล้วก็ต้องไปเกิดไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นนสุรกายไปนรกถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายก็ต้องหยุดความอยากให้หยุดการกระทําบาปด้วยการถือศีลห้าขึ้นไปแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่า กาการเป็นมนุษย์ก็อยากจะจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ให้ทําบุญเพิ่มทำบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญทำทานบอยจากเงินบอยจากทองให้กับศาสนาให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่างๆให้กับบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นใจก็จะสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าอยากจะจากเทวดาไปเป็นพรหมก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิไปถือศีลแปดไปเป็นนักบวช ก็จะได้ฌานได้สมาธิก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมได้ไปเป็นพรหมเวลาที่ตายไปแล้วถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลก็ให้ไปเปจริญปัญญาต่อหลังจากที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วเวลาออกจากสมาธิออกจากฌานมาก็ใช้ใช้ปัญญาศึกษาเรื่องต่างๆที่ทำให้ใจทุกข์ใจทุกข์เพราะอะไรใจก็ทุกข์เพราะความอยากต่างๆพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาหยุดความอยากนะ ตอนให้หยุดความอยากแล้วใช้สมาธิยหยุดความอยากนั้นไปใจก็จะไม่ต้องทุกกับอะไรไม่ต้องไม่ต้องมีความอยากพะกาจัดความอยากหมนไปจากใจใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใจก็อยู่ในนิพพานอันนี้คือกฎแห่งกรรมที่มีไว้สำหรับดูแลจิตใจให้จิตใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดจนขั้นพระ น, นิพพานนั่นเอง ทั้งกฎของกฎแห่งกรรมและกฎของตาลักษ์มันก็เกี่ยวข้องกันกฎของตายักษก็มีมีทุกข์อยู่ในนั้นทุกข์ที่เกิดความอยากอันนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรมเราก็ต้องหยุดความอยากพอหยุดความอยากทุกข์ก็จะไม่มีเวลาที่ไปเจอสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใจก็จะไม่ทุกข์กับการความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของาลาภยศสารสนุป ใจก็จะพัฒนาไปจนถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานตามลําดับนี้นี่แหละคือเรื่องกฎของชีวิตที่มันกํากับดูแลชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าอยากจะให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎทั้งสองกฎนี้กฎแห่งตายลักณเกี่ยวกับร่างกายและทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆเราต้องปล่อยวางเราต้องยอมรับว่าเป็นของชั่วคราว มาพบกันชั่วคราวในโลกนี้เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องจากกันไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้ไม่จากกันถึงเวลาจากกันก็บายบาย<ม>เจอกันใหม่ถ้ามีบุญมีกุศลรอบหน้าถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ก็าอาจจะได้มันเจอกันใหม่แต่ถ้าไม่เจอรอบหน้าก็าอาจจะเจอที่นิพพานกันเลยก็ได้ถ้าเราปฏิบัติปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดความอยากได้ใจเราก็จะไปที่นิพพานกันทุกคนแล้วเราก็จะไปเจอกันที่นั่น นี่ก็คือเรื่องกฎขกฎของชีวิตกฎหมายชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปปราปริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจฉตุ สัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยธะมณิโชติละโสยธาสัพพิติโยวิวัชางตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตาลายสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีลิสานิจังวุธาปจายโน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 ก็ต้องมีอะไรต้องทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตสา2ค้อ o หกสิบสองคนพระสุชาติไลฟ์สามร้อยสสิบหคน YouTube d กเตอร์วีชานหกสาวิทยุออนไลน์สิบสี่คลับเฮ์หผู้รับฟังธรรมะนากุติหนึ่ง้อยหนึ่งคนรวมทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบสองครับโ okay. อเคเจ้าต่างชาติก็จะถามคำถามด้วย You have any q u e s t i o n Do you have any questions? o k a y Okay. Choose okay. uh, a microphone, right? Could you pass the microphone to her, please? I am. Uh, this s p e a k closer to uh, the oh, microphone. like this? Closer. Almost closer. Together, huh? Yeah. Ooh, that's scary. Most of us scary. It's your own voice. <laughs> <coughs> Uh, I am associated with this uh, monastery in Canada that I mentioned to you the other day. It's called Birken, Birken Forest Monastery. It's on the west coast, not too far from Vancouver. So my question is: if we invited you to come and visit, would you come? I'm sorry. I just don't accept any invitation to go anywhere. You don't? I don't accept any invitation to go anywhere. Oh, okay. Because if I go, then people who come here will have no teacher to teach them. So I, I rather stay here and let them come to see me instead. Oh, now you can follow in the internet, yeah. Facebook, YouTube. So there's no need to go anywhere now. Mm -hmm. As far as spreading your teaching is concerned, yeah, we can do it here, and it's all over the world. Good, yeah. Okay, okay. But so, you're welcome to Canada. <laughs> yeah. Thank you for the invitation. Anyway, you like to ask any question? By the way, where are you from? Um, my name is Anja. Anna. I'm from Germany. Yes. I just arrived here. Uh -huh. I uh, wanted to pay respects and also ask uh, a question. So I'm thinking about a mechi ordination. Um, so I've been on a precepts for a very long time. Yes. And I would like to maybe know if. Um, it is uh, the better way to attain stream entry more quickly. <laughs> well, there are many ways of entering the stream. You just have to find the right way for you. So sometimes you can be a m a t c h i and enter the stream. Sometimes you can be a p i k u n i Sometimes you can be a lay person. So it doesn't matter so much as to. Who you are, or what you are, what matter is whether you have the dhamma, and you develop the dhamma necessary for becoming a stream enterer. That is, you need to practice mindfulness until you can get into jhana. Once you have jhana, and then you can develop wisdom to see the four noble truths regarding your body, then you can. Let go of your attachment to your body. Then you can become a sotapanna. So the the essential one is the dhamma that you need to develop. As far as being a m e c h i or a lay uh, a lay woman, that's just just the just the the uniform that you put on. But essentially, you need to develop these two things: samadhi or jhana, and wisdom. To understand the four noble truths regarding your body, so that you can see that your body is is impermanent, is subjected to aging, sickness, and death, and that you cannot prevent it from happening. If you cling to your body, you will have cravings for it to exist forever. Then you are creating dukkha. Then, when you have dukkha, then you cannot achieve stream entry. But if you see the truth that the body is impermanent, it's gonna get old, get sick, and die. And when it does, when it when it happens, you just let it be, and not having any clinging or attachment or craving for it, then you will have no dukkha. Then you will then you will know that you have see you have seen the four noble truths inside yourself. You see that the dukkha arises from your craving, your attachment. But you see also, w i t you see the nature of the body as being impermanent, being having no self, nothing belongs to anybody, and so you accept the truth and let go of your attachment, your craving, i n the dukkha that is caused by your craving will disappear. Then you become a n enter r stream enter, you see the four noble truths in real time, in real life. And you have let go of your attachment to your body, the five khandhas, so you can become a sota panna. So what you need to develop right now for most people is mindfulness and and jhana of samadhi. You have to practice mindfulness all day long, from the time you get up to the time you go to sleep. Stay mindful with your body. Watch your body, every movement of your body. Don't let your mind go anywhere else. Sometimes, if your your mind likes to, to to go away from your body, you can use the mantra Bhuto Bhuto to pull it back. Once it o n c it comes back and stay with the body, then you can stop the Bhuto and just keep watching the body. And then when you have time, sit down and meditate using Anapanasati, mindfulness of breathing. If you can continue your your mindfulness watching your your breath, your mind will eventually become one, become samadhi, enter into jhana. When you're in jhana, try to keep the mind in jhana for as long as possible, because this is w h y you gain the strength to be able to stop your cravings. Right now, you don't have the strength to stop your cravings, even though you study. You know that the four noble truths say that dukkha arises from your craving. But you cannot stop it when you get old, get sick. You start to have craving for this sickness to go away, o r not n t getting old, not getting sick, or not dying. But if you have done jhana, you know that you cannot stop this process of aging, sickness, and death. So you just let it be. When you let it be, then you will have no dukkha regarding the body. That's t h a t the nature of the stream enterer. Let go of the attachment to the body due to wrong view, thinking that the body is permanent, thinking the body belongs to you, but in fact it's impermanent. It doesn't belong to you. And when you cling to it, and when you want it to be belong to you, to, to stay with you all the time, you will get cravings. You'll get dukkha. Mm -hmm. If you don't want to get have any dukkha, then you have to stop your craving regarding the body and let the body be. Then you then you see the working of the four noble truths inside yourself. So you have no doubt in the Buddha, Dhamma, or Sangha, because you see the Dhamma. The Buddha said, "Whoever sees the Dhamma sees the Buddha, and whoever sees the Buddha and the Dhamma is a Sangha, is a Sota Panna. So you know within yourself that you have become a Sota Panna. Then you will then continue on your practice and. Try to get rid of more of the craving that is still remaining in your mind. Using the same principle, the Four Noble Truths, all the way to the top. You have to apply the Four Noble Truths in every steps. But the cravings change, from craving to the body to craving for sexual desire, for instance. And from then, after that, then you have craving for self, permanent self, the, the mind to become permanent. To be happy all the time, then you know that even the even the mind is subjected to the the, the law of anicca dukkha anatta. This is something that you can then continue and practice on your own. Once you have found the the four noble truths within yourself, then you will know when whenever you have dukkha, you start to look for the the source of the dukkha, which is your your cravings, not not something outside of yourself. I mean, all your dukkha is caused by your cravings. So instead of trying to go solve problems regarding other people or things, you you try to solve your own problem by trying to locate the the, the craving that caused your dukkha and then stop it. Once you can stop your craving, then the dukkha will disappear. Okay. So, how long you plan to? Stay? Are, you are you staying here or are you staying somewhere else? We are staying here for three days. I see. Okay, good. You too. Yeah. Okay. Where are you from? From um, um, USA. USA. Okay. Okay. Fine. Okay. okay. And, uh, I'll just add that we come from Clear Mountain Monastery. I see. Okay. Tanisaburo, Covino. Mm -hmm. Okay. Right. You can put your offering here. y e a So this from and this is um, regards from a j a r n i s a b o o and a j a n k o v i l o Okay. Thank you. Okay. m k a Okay. a m o k a ผู้รับฟังนากุติสองท่านครับท่านแรกมีสองคำถามคำถามแรกขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายการพิจารณากายว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเพิ่มเติมครับแล้วก็เพื่อการปล่อยวางร่างกายครับได้เพิ่มตรงไหนละ่ะมันไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงนะก็คือมันไม่คำว่าไม่เที่ยงก็คือมันไม่เหมือนเดิมวันนี้เป็นอย่างนี้อีกห้าปีก็เป็นอีกอย่างนะเมื่อห้าปีก่อนก็เป็นอีกอย่าง มันเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงช้าคาว่าไม่เที่ยงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเกิดมีการเสื่อมนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ดูว่ามันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็เราอย่าไป ยึดไปติดมันอย่าไปอาศัยมันอย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเมื่อเราไม่ใช้มันแล้วมันจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนให้เรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบแทนคำถามที่สองขอความเมตตาหลวงพอ่ออธิบายวิธีการพิจารณาอาการ32แล้วก็อสุภกรรมฐานครับก็ศึกษาด้วยการดูดูอาการต่างๆ เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกเร้่งต้นก็อาจจะท่องชื่อของมันไว้ก่อนก็ได้อาการอาการสามบสองมีอะไรบ้างก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกที่มีอยู่ในบทสวนมนเนี่ยแล้วถ้าอยากจะเห็นภาพของมันก็ไปเปิดหนังสือหาหนังสือที่มีมีการชำระศบดูก็ได้จะได้เห็นหรือหนังสือที่ก็มีวาดภาพของ อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายใน Google เนี่ยลองเขียนคําว่าอาการ32มันก็โผล่ขึ้นมารือเขียนคําว่า anatomy ก็ได้ anatomy ก็มันก็จะทาให้เราเห็นภาพชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายอาจจะไม่ได้เป็นภาพถ่ายแต่มันก็เป็นภาพวาดก็ดูแล้วมันก็ทําให้เราเห็นภาพจริงขึ้นม า, าภายใต้ร่างกายของเรานี้ภายใต้ผิวหนังมันมีโครงกระดูกอยู่นะแต่เรามองไม่เห็นกัน เราต้องมองให้เห็นเราต้องมองเห็นสิ่งที่มารวมตัวที่มาประกอบให้เป็นตัวร่างกายขึ้นมามก็คืออาการ32นี้ก า, กาวยร เ, เรียนเรียนอาการ32ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดูภาพของมันแล้วก็มาคิดอยู่บ่อยๆนึกอยู่บ่อยๆจนเวลาที่เรามองเห็นร่างกายของใครเราก็เห็นทะลุเข้าไปข้างในเลยเหมือนเหมือนตาเอ็กซาเล พอ เ, เห็นใครไม่ว่าจะสวยงามหรือไม่สวยงามก็จะเห็นเห็นโครงกระดูกของเขาเห็นกระเพาะเห็นลำไส้เห็นตับเห็นไตของเขาต้องเห็นแบบนี้แล้วใจมันจะได้ไม่หลงไปรักไปชอบไปคิดว่ามันน่าดูสวยงามมันมีแต่ของที่น่าขยะขยะงั้นถ้าจะดีก็ลองไปติดต่อกับโรงพยาบาลเวลาที่เขมีชนะสูตรศพก็ขอเข้าไปดูหน่อยว่าเวลาชนะสูตรศพเขาก็จะเขาก็จะชาแหละร่างกายเหมือนกับ คนที่ค้าค้าหมู่วค้าค้าวัวค้าควายเขาก็จะชำแหล ะ, ละร่างกายของควายของวัวออกมาแล้วก็เอาเอาวัยวะต่างๆออกมาเอาปอดเอาตับเอาไตาเอาลมไส้ออกมาให้ดูถ้าอยากจะดูของจริงก็ต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลขอเข้าไปดูแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงแล้วพอเราเห็นแล้วเราก็ต้องมาสอนใจมาเตือนใจมาคอยคิดอยู่บ่อยๆไม่ให้ลืม เพถ้าดูผลเดียวแล้วไม่ไปคิดต่อเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ลืมได้มันก็จะจางหายไปได้แต่ถ้ามาคิดทุกวันทุกเวลาลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นต่อไปมันก็จะเห็นร่างกายอย่างชัดเจนทั้งอาการ32ทั้ง32อาการคําถามจากท่านที่สองธาตุลมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงแค่ลมหายใจเข้าออกหรือไม่ครับก็เท่านั้นแหละอ่ะก็ลมก็เกิดลมหายใจเข้าออ คำถามจากทางอินบ็อกซ์คุณกหนกจันทร์ความเชื่อเรื่องภัสราพรมกับจิตปฏิสนธิเป็นสิ่งเดียวกันว่าธาตุรู้เดิมเป็นเพียงแสงสว่างและยึดตนเองเป็นธาตุรู้ขึ้นมาก่อเกิดเป็นจิตเดิมแท้ที่อยู่ภายใต้อวิชชาเป็นความรู้เชื่อถือได้ไหมครับคือตอนนี้ลูกละความเห็นผิดว่าสังขารเป็นเราได้แล้ววิจิกิจชาศิลพัตระปรามาศ สิ้นลงต่อหน้าต่อตาแต่ยังยึดแสงสว่างาธาตุรู้ว่าเป็นเราลูกจึงศึกษาที่มาของาธาตุรู้ขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะแนวทางได้ครับจะเห็นธาตุรู้ก็ต้องเข้าสมาธิเท่านั้นน่ะต้องเข้าฌานพอเข้าฌานจิตสงบแล้วความคิดต่างๆที่มีอยในจิตก็จะหายไปเหลือแต่ผู้รู้หรือความรู้ธาตุรู้ปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่าไม่ต้องไปศึกษาให้เสียเวลาเพราะมันศึกษาไม่ได้ธาตุรู้ จาพบกับ่านรู้จะรู้ท่านรู้ได้ก็ต้องเข้าสมาธิแคนั้นเองคำถามจากท่านต่อไปคุณวรทินผมเป็นคนชอบกังวลกังวลใจกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงครับต้องแก้ไขอย่างไรครับก็คิดถึงเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นไงเพราะเรารู้แล้วเนี่ยอาขานาคอของเราเป็นยังไงก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะส่วนเรื่องอื่นไม่สาคัญเท่ากับความแก่ความเจ็บความตายหรอก เรารู้ความแก่ความเจ็บความตายยามาแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันได้แล้วเราก็จะไม่กังวลกับเรื่องอื่นเพราะเรื่องอื่นเป็นเรื่องจิ๊จ่อยเมื่อเพียบเทียบกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเรื่องต่างๆที่เราวิตกกังวลนี่มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นฉะนั้นพยายามศึกษาความแก่ความเจ็บความตายเดินใจอยู่เรื่อยๆว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วเตรียมตัวรับกับมันให้ได้ถ้าเรารับกับมันได้แล้วเราก็จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หมดเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน คำถามต่อไปจากคุณเอิงการปลูกผักครับแต่เพลี้ยลงทําให้ผักไม่โตเสียหายหมดเลยพยายามหาทางไล่แบบฉีดน้ําผสมกับน้ําส้มเพื่อให้มันลื่นออกไปให้เกาะไม่ติดบ้างหรือการพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันไว้ก่อนแต่ยังไม่เห็นตัวแมลงแบบนี้เป็นบาปไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเพลี้ยมันมีวิญญาณหรือเปล่าถ้ามันมีวิญญาณก็บาปถ้าไม่มีวิญญาณมันก็ไม่บาปเดี๋ยวพี่โยมก็อยากจะถามคำถามเลย ขอญาตเจ้าค่ะหลวงพอ่อพอดีว่าลูกหลานทั้งสองปีหน้าก็คือต้องไปเรียนต่อกันประมาณสองปีแล้วเจ้าค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในดินแดนครูบาจารย์หนานแน่นร่มเย็นอย่างนี้แล้วก็เลยแอบกังวลว่าจะเอาตัวรอดอยังไงขอกราบขอฟังโอวาทห ล, งลวงพอ่อเป <พอ S 2> <ม>็นวินยัยกำหนดวัน เ, เราต้องติดตามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเจ้าค่ะอันนี้เราสามารถฟังเทศสดก็ได้ของเก่าก็ได้ ของคูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้เจ้าค่ะต้องต้องมีวันที่เราจะต้องให้เวลากับการอยู่กับธรรมะบ้างเจ้าค่ะอย่าให้ทางโลกดูดเอาไปหมดเจ้าค่ะต้องแบ่งเวลาไว้สำหรับให้เราได้มีการศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆจะได้มีอะไรคอยเตือนสติเราไม่ให้หลงทางแล้วก็ พุทธเจ้าสอนให้เรามีวันพระกันเลยใช่ไหมก็ลองมีอาทิตย์ละครั้งให้เป็นวันพระของเราขึ้นมาอาจจะไม่ตรงกับวันพระจริงๆแต่ให้มันมันเป็นวันที่เราสะดวกที่เราสามารถศึกษาปฏิบัติธรรมได้เราก็ใช้วันนั้นเป็นเป็นวันพระของเราได้เล้าค่ะวันนั้นเราก็จะไม่ทําอะไรจะทําแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวว่ายพระสวดน น, นั่งสมาธิยั่งยืนสติ ฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนเจ้าค่ะถ้ามีการทำอย่างนี้เราก็ยังจะอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้เราจะไม่ได้อยู่ในแดนพุทธแต่ใจเราอยู่ในแดนพุทธเพราะใจเราอยู่กับธรรมะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะขอบพระคุณเมตตาเจ้าค่ ะ, ะคําถาม ต่อไปจากคุณวราวุธวันนี้มีสติระลึกทำได้แต่พอตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันก็ลืมครับผมควรที่จะต้องปฏิบัติในช่วงเช้าของวันใหม่อย่างไรถึงจะสามารถได้สติระลึกถึงธรรมได้เหมือนกันในทุกวันครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมาก็ให้นึกถึงพุโทโธพุโทโธไปก่อนนะทำทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นมันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมา เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาเราต้องน้างหน้าแปลงฟันเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยขึ้นมาไม่ต้องเตือนพอตื่นขึ้นมาก็รู้แล้วต้องนั่งหน้าแปลงฟันก่อนเช่นเดียวกันพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องพุโทโธก่อนเลยพุโโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็เฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่เผลอ cession. สติมันก็จะไม่หายแต่ถ้าเราไม่ฝึกานานๆทําทีมันก็มาหายบ้างมาบ้างไม่ไม่มาบ้างแล้วแต่อารมณ์ เพานั้ยพยายามทำฝึกให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาให้ได้แล้วต่อไปสติมันจะอยู่กับใจเราต่อไปตลอดคำถามต่อไปจากคุณพิกุลถ้าเราสั่งการทำไปเพราะหน้าที่พ่นยุงในพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจะเป็นบาปไหมครับเพื่อไม่ให้มีเชื้อพแพรก่กระจายหรือจะมีวิธีเลี่ยงได้อย่างไรครับก็อย่าไปทาเ่ยเปลี่ยนงานนะหา ง, งานใหม่ทาไปบวชเนี่ย คำถามต่อไปจากคุณเคเจทความคิดที่แวบออกไปขณะเจริญสติภาวานานั้นเกิดจากความอยากของจิตหรือเกิดจากธรรมชาติของจิตครับมันจะเกิดจากอะไรก็ไม่สําคัญนะให้รู้ทันมันก็แล้วกันรู้ว่ามันคิดก็หยุดมันไปก็แล้วกันอย่าไปเสียเวลาคิดอีกถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นไนก็ต้องคิดอีกมันก็เลยไม่หยุดคิดสัทีนั้นอย่าไปสนใจมันมาจากอะไรให้รู้ว่ามันมาแล้วเราต้องดับมันก็พอ พอมันมันคิดเป๊าก็หยุดบันทันเองใช้พูดโทพูดโธหยุดมันก็พอคำถามต่อไปจากคุณศรัทธาผมนั่งสมาธินานๆแล้วพอออกจากสมาธิขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ไม่มีความรู้สึกและชาทั้งหมดการนั่งแบบนี้ถูกและเป็นอันตรายไหมครับมีวิธีแก้ไขไหมครับอ๋อไม่หรอกเป็นธรรมดาเวลาร่างกายอยู่ในท่าใดานา น, านๆเท่ามันก็อาจจะเลือดลมไม่ไหลสะดวกมันก็จะทําทให้เป็นเหน็บชาขึ้นมาได้ พอเราเลินั่งสมาธิล้วก็ค่อยๆยืดแข้งยืดขาเอาไปเดี๋ยวมันก็เลือดลมมันไหลเวียนเป็นปกติมันก็จะกลับเป็นปกติได้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องกังวลคําถามต่อไปจากคุณสาวลักษณ์เมื่อจิตมีอาการฟุ้งซ่านจากนั้นเหมือนจิตเขารู้ว่าเขาฟุ้งซ่านจิตกลับมีความสงบแนบนิ่งจึงอยากเรียนถามหลวงพ่อว่านี่คืออาการของจิตวางอุเบกขาหรือไม่ครับเพอาการมีสติกับคืนมา การที่ฟุ้งซ่านแสดงว่าสติหายไปเหมือนกับเจ้าหน้ า, า, นาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหายไปขโมยผู้ร้ายก็ออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองพอเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาทํางานปับ๊บขโมยผู้ร้ายก็หดหายไป ท, ทันทีสติก็เหมือนกันความคิดก็เหมือนเป็นโจรผู้ร้ายพอไม่มีสติไม่มีตำรวจค อ, คอยคอยควบคุมมันก็ออกมาเพ่นพ่านกันพอผู้ควบคุมคือสติกลับมาปับ๊บโจรผู้ร้ายก็หายไป สตินี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจสงบถ้าไม่มีสติแล้วใจจ yani ะไม่มีวันสงบได้คําถามต่อไปจากคุณทัวเราเจริญสติทําสมาธิภาวนามีวิธีสังเกตตนเองอย่างไรบ้างครับว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิถูกทางไม่เป็นมิจฉาสมาธิครับก็จิตไม่คิดอะไรไง theo, สัก huh? แต่ว่ารู้แล้วนน่งสงบมีความสุข คำถามต่อไปจากคุณจูปิเตอร์การทําอาชีพโกงหลอกลวงแต่ทําเพื่อครอบครัวผิดศีลไหมครับเป็นเป็นเดรัฉานอันนิสง์ของการทําบาปข้อนี้จะทําให้เป็นเดรัชานเพราะเป็นการเลี้ยงชีพด้วยการทําบาปคําถามต่อไปจากคุณมนทิราเวลาที่นั่งสมาธิรู้สึกอึดอัดควรแก้ไขอย่างไรถึงจะหายครับ เพราะว่าสติเรามีกําลังน้อยสู้กิเลสไม่ได้กิเลสเป็นตัวสร้างความอึดอัดขึ้นมาวิธีที่จะแก้ก็คือแทนที่จะนั่งดูลมหรือพุทโธก็เปลี่ยนมานั่งสวดมนตน์ไปก่อนสวดมนตน์ในท่านั่งสมาธนะิน่ะนั่งสันั่งในท่าสมาธิหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจสวดอิติปิโสไปหลายๆรอบสวดไปจนกว่าอาการอึดอัดมันจะหายไปจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบค่อยกลับมาดูลมลค่อยกลับมาพุโทโธใหม่ คำถามต่อไปจากคุณใบยก ความคิดที่ทำให้ใจวางเฉยได้นั้นจึงเรียกว่าปัญญานอกเหนือจากนี้คือการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดเวทนาส่วนปัญญานั้นตัดทำให้ใจวางเฉยทั้งเหตุที่เกิดกับตนและคนอื่นเพราะเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดแต่สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยฐานที่มั่นคงก่อนคือสมาธิภาวนาลูกปฏิบัติได้นแนวทางประมาณนี้ผิดหรือถูกอย่างไรครับถูกต้องถ้าไม่มีฐานสมาธิถึงแม้จะมีปัญญามันก็ทำใจให้สงบไม่ได้ เพราะกิเลสนั้นมีกําลังมากกว่าที่เราจะใช้ปัญญาเพียงเดียวปัญญายิงต้องอาศัยกําลังของสมาธิช่วยสยบความเคลื่อนไหวข อ, ของกิเลสปัญญาตามลําพังนี้ไม่พอเพียงต่อการการหยุดกิเลสได้เหมนปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมนั้จากการนึกคิดนี้ถ้าไม่มีสมาธิสนับสนุนนี้มันยังหยุดกิเลสไม่ได้แต่ถ้าเราไปฝึกสมาธิสามารถเข้าฌ า, านได้มีอุเบกขาได้ พอเราใช้ปัญญาชนิดนี้มันก็จะสามารถหยุดได้คําถามต่อไปจากคุณนลินาผู้รู้คือใครแล้วผู้รู้มีหน้าที่อะไรในการปฏิบัติครับผู้รู้ไม่ผู้รู้ไม่เป็นใครผู้รู้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับฝนฝนก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งฝนตกแดดออกมันเป็นธรรมชาติไม่มันไม่เป็นใครมันไม่มีตัวตนผู้รู้นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดได้ทั้งนั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณสมนึกการทำสมาธิควรวางลมหายใจไว้ตรงไหนครับดูที่ลมหายใจเลยครันวางลมไว้ตรงไหนครับก็ลมมันอยู่ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นสิเราเราไปกำหนดไม่ได้ลมมันก็อยู่ที่ปลายจมูกเข้าออกอยูแ่แถวบริเวณปลายจมูกเราก็วางจิตไว้ตรงนั้ น, นเข้าดูลบอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพราะมันจะทาให้จิตเคลื่อนไหวตาม เราต้องการให้จิตนิ่งให้จิตจอดอยู่ที่จุดเดียวคือจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกคือแถวบริเวณปลายจมูกคา<ำ>ถามต่อไปจากคุณชัยยันความทุกข์ที่เกิดจากความผิดพลาดความประมาทขาดสติยังคิดในอดีตจากการกระทำของตัวเองพยายามให้อภัยตัวเองโดยการเจริญสตินั่งสมาธิแต่ก็ยังมีความคิดในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาอยู่ครับควรทาอย่างไรดีครับ ก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นการผิดพลาดแล้วพยายามแก้ไขไปด้วยการฝึกสติให้มีมากขึ้นแล้วถ้าอยากจะลงโทษตัวเองก็ลองอบังคับลงโทษตัวเองด้วยการาตัดเงินเดือนก็ได้เอาเงินเดือนไปทําบุญแทนที่เอาเงินไปเที่ยวไปทําอะไรก็เอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญแทนถ้ามีการลงโทษต่อไปมันก็จะได้ไม่กล้าทําผิดซ้ำซาก คำถามตอ่อเนื่องจากเรื่องฉีดยาฆ่าแมลงครับหลวงพ่อเขาถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์หรือแมลงชนิดไหนมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณครับถ้ามันมีตาหูจมูกเล้นกายมันก็มีวิญญาณมาเกาะถ้าไม่มีตาหูจมูกนิ้วมือวิญญาณ ก, ก, ก็มาเกาะไม่ได้เช่น like, ต้นไม้นี่มันไม่มีตาหูจมูกเล้วมือตรงนั้นเราก็รู้ว่ามันไม่มีวิญญาณคำถามต่อไปจากคุณนิคม จิตกับเจตสิกแตกต่างกันอย่างไรครับอันนี้ต้องถามครูก็ดูจะดีกว่านะเราไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาเท่าไหร่คําถามต่อไปจากคุณนิ่มการยึดติดในครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ควรแก้ไขไหมครับไม่ควรนะถ้าตาบใจเรา ย, ยังต้องพึ่งอาจารย์อยู่ต้องยึดติดกับครูบาอาจารย์เป็นหลักเหมือนกับคนไข้ที่ต้องยึดติดกับหมอกับยากับพยาบาล จนกว่าเราจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดติดกับหมอพยาบาลฉันใดถ้าเรายังยังไม่พ้นทุกเรายังต้องปฏิบัติธรรมอยู่เราก็ต้องอาศาาัยครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมแล้วไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ได้แล้วเราค่อยปล่อยวางคําถามต่อเนื่องจากคนที่บอกว่าทำอาชีพ หลอกลวงเพื่อครอบครัวครับเขาถามว่าถ้าเพื่อศีลธรรมแต่เราต้องแตกหักกับครอบครัวเราควรวางใจอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นธรรมดาคนคนดีกับคนไม่ดีอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ากับน้ํามันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เคยเอาน้ํากับน้ํามันผสมไปในขวดดูไหมลองลองเขย่าขวดดูเขย่าให้มันปนกันให้มันรวมกันมันก็ไม่ยอมรวมถึงเวลามันก็จะแยกออกจากกันน้ําก็ต้องอยู่ส่วนน้ําน้ํามันก็ต้องอยู่ส่วนน้ํามัน คนดีกับคนไม่ดีก็อยู่ร่วมกันไม่ได้คนดีกับคนไม่ดีก็ต้องแยกทางกันไปคำถามจากคุณนันทพรถ้าเราถือศีลแปดอยู่ที่บ้านเราสระผมได้ไหมครับได้การสระผมนี้ถือว่าเป็นการรักษาไม่ได้เป็นการเสริมสวยความงามถ้าทำเพื่อเสริมสวยความงามนี้ไม่ควรทำเสียเวลาเปล่าๆแต่ถ้าทำเพื่อรักษาให้ผมมันเเผวมันสะอาดไม่เกิดโรคภัไข้เจ็บก็ทาได้ อาบน้ำอาบท่าได้แต่อย่าอาบบ่อยวันละสี่ห้าครั้งอย่างนี้มนี่มันเกินไปอันนั้นเป็นกามมัสุขนละ้วต้องการความสุขจากการให้ร่างกายสะอาดอะซักอชําระร่างกายได้วันละครั้งสองครั้งก็พอถ้ามันส่งกลิ่นมันก็ไปอาบน้ําได้ถ้ามันไม่เหม็นไม่มีเหตุอะไรจำเป็นจะต้องทําก็อย่าเอาเวลาไปทํากับเรื่องราวเหล่านี้เอาเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิจะดีกว่า คำถามจากคุณอึ้งครับตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีครบทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งวิ ญ, ญญาณถึงมาเกาะได้ครับอันนี้เราก็ไม่รู้คิดว่ามันต้องครบนะะเพราะว่ามันเป็นของมันมาเป็นทีมอ่ะมันมาด้วยมันมาร่วมกันอันนั้นคิดว่ามันจะต้องมาครบแต่เราไม่กล้ารับรองนะเพราะเราก็ไม่ใช่เป็นบรมศาสดาเราก็ยังเป็นผู้ศึกษาอะไรอยู่ดังนั้นก็ขอตอบแบบว่าน่าจะ น่าจะต้องครบเนะี่ยมันเพราะมันมันทำงานร่วมกันไงราก็ต้องดูดูเฉยๆไม่มีเสียงมันก็ไม่สนุกอีกใช่ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่ได้สัมผัสรับรู้กับสิ่งที่เราเห็นมันก็ไม่สนุกเท่าไรมันต้องมีทั้งครบทั้งค่ามันถึงจะครบบริบูรณ์อย Have question or no? คำถามหมดแล้วครับโอเค anybody have any question because we're gonna close this meeting โอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังใบพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ